หมวดที่7ว่าด้วยคาสอนอันเหมาะแก่อุปนิสัยและสิ่งแวดล้อมแม้ว่าพระสังฆปรินายกจะได้กลับไปยังตวบลโซโฮัวแห่งเมืองชิวเจาจากวังมุยอันเป็นที่ซึ่งท่านได้รับมอบหมายพระธรรมแห่งนิกายทยานะจากพระสังฆปรินายกอ ง, องก่อนอีกก็ตามท่านก็ยังเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีใครรู้จักในหมู่คนทั้งหลายอยู่นั่นเอง และผู้ที่ให้การต้อนรับเลี้ยงดูอย่างครบครันแก่ท่านนั้นได้แก่นักศึกษาแห่งราชที่คงจื้อผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าหลิวชีลักพระเอิญหลิวชีลักผู้นี้มีน้าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าวูจูจงได้บวชเป็นบรรพชิตในพุทธศาสนาและมีปกติสวสาธยายมหาปารินิราวานสูตรอยู่เป็นประจำเมื่อพระสังฆปริณายกได้ฟังการสาธยาย ของสตรีผู้นี้เพียงชั่วเวลาหน่อยเดียวเท่านั้นก็สามารถจับโวยเอาใจความมนลึกซึ้งของพระสูตรนั้นได้และได้เริ่มอธิบายแก่เธอเมื่อเป็นดังนั้นสตรีผู้นี้ได้หยิบคำพีขึ้นมาถามถึงความหมายของข้อความตอนหนึ่งแก่ท่านพระสังคาปรินายกได้ตอบว่าอาตมาไม่รู้หนังสือแต่ถ้าท่านประสงค์จะทราบใจความแห่งพระคมภีเรื่องนี้ก็จงถามเถิดนักบวชสตรีผู้นั้นจึงถามต่อไปว่า เมื่อท่านไม่รู้จักแม้แต่จะอ่านค้อยคําเหล่านั้นแล้วท่านจะสามารถทราบถึงความหมายแห่งตัวสูตรได้อย่างไรเล่าพระสังฆปรินายกได้ตอบคําถามนี้ว่าความลึกซึ้งแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับภาษาที่เขียนด้วยตัวหนังสือคําตอบนี้ได้ทําให้สตรีผู้นั้นรู้สึกประหลาดใจไปดันมากและเมื่อได้เล็งเห็นว่าท่านผู้นี้มีได้เป็นพระภิกษุอย่างธรรมดาสามัญแล้ว ก็ได้บอกกล่าวให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปในบรรดาผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บ้านนั้นเธอได้บอกกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นอริยบุคคลเราทั้งหลายควรขอร้องท่านให้พักอยู่ที่นี่และขออนุญาตจากท่านเพื่อถวายอาหารและที่พักอาศัยต่อมามีเชื้อสายแห่งท่านขุนานางชั้นสูงคือท่านหมู่แห่งราชวงศ์อายผู้หนึ่งมีนามว่าโซซุกเหลียน พร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนมากได้พากันมาในเวลาบ่ายวันหนึ่งเพื่อถวายความเคารพแด่พระสังฆปรินายกวัดเปาลาอันเป็นวัดเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ซึ่งร้างไปเพราะภัยสงครามในปลายราชวงศ์ชิวในบัด น, นี้หักพังลงเหลือแต่เศษสิ่งของเป็นกองๆนั้นมหาชนได้พากันบูรณะขึ้นใหม่ตรงที่เดิม น, นั่นเองและได้ขอร้องให้พระสังฆปริณายกอยู่อาศัยประจำที่นั่น ไม่นานนักก็กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากเมื่อได้อยู่ที่นั่นมาประมาณเก้าเดือนเศษสัตว์รูฟองร้ายของท่านก็ได้ติดตามมาและคอยพยายามจองล้างจองผลาญท่านอีกเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านได้ไปหลบซ่อนยังภูเขาใกล้ๆกันคนโหดร้ายเหล่านั้นได้จุดไฟเผาป่าซึ่งท่านเข้าไปหลบซ่อนอยู่แต่ท่านหนีรอบไปได้ด้วยหลบไปอยู่บนชะงอนผาชะงอนผาแห่งนี้ซึ่งต่อมาเรียกว่า ภูเขาแห่งความปลอดยังมีอรอยคุกเขาของพระสังฆปรินายกปรากฏอยู่และยังมีอรอยเป็นลายเนื้อผ้าแห่งเครื่องนึ่งห่มของท่านปรากฏ ต, ติดอยู่บนแผ่นหินนั้นด้วยเมื่อท่านระลึกได้ถึงคำเตือนของพระสังฆปริณายกองค์ที่ห้าผู้เป็นครูของท่านที่ได้เคยสั่งไว้ว่าจงหยุดที่ตำบลเวยแล้วซ่อนอยู่ผู้เดียวที่ตาบลบุยดังนี้ ท่านจึงได้เอาตำบลทั้งสองนี้เป็นที่หนีร้อนและเวียนไปเวียนมาภิกษุฟัดหอยชาวบ้านฮุกกองแห่งชิวเจอลเมื่อทําการสนทนากับพระสังฆปริณายกเป็นครั้งแรกได้ถามถึงความหมายของกระทู้ธรรมที่คนทุกคนสนใจบทหนึ่งที่ว่าใจคือสิ่งใดพุทธะคือสิ่งนั้นพระสังฆปริณายกได้ตอบว่า การไม่ปล่อยให้ความคิดที่ผ่านไปแล้วกลับเกิดขึ้นมาอีกนี่คือใจการไม่ปล่อยให้ความคิดที่กำลังจะเกิดถูกทำลายไปเสียนี่คือพุทธะการแสดงออกซึ่งปรากฏการทุกชนิดนี่คือใจการเป็นอิสระจากรูปธรรมทั้งปวงคือการรู้เท่าถึงความลวงตาของปรากฏการทั้งหลายนี่คือพุทธะ แต่ถ้าข้าพเจ้าจะต้องอธิบายแก่ท่านให้ครบถ้วนทุกกระบวนกามเรื่องที่จะต้องนำมาพูดก็จะไม่จบสิ้นลงไปได้แม้ว่าข้าพเจ้าจะใช้เวลาอธิบายสักกับหนึ่งดังนั้นจงฟังสโลกของข้าพเจ้าจะดีกว่าปรัชญาหรือปัญญาคือสิ่งที่ใจเป็นสมาธิคือสิ่งที่พุทธะเป็นในการบำเพ็ญปรัชญาและสมาธิต้องให้แต่ละอย่างลงจังหวะต่อกันและกัน แล้วความคิดของเราก็จะบริสุทธิ์คำสอนข้อนี้จะเข้าใจได้ก็แต่โดยการประพฤติดูจนช่ำชองที่ว่าสมาธิตั้งมั่นนั้นที่จริงไม่ใช่สมาธิอะไรเลยคำสอนที่ถูกต้องนั้นคือให้บำเพ็ญปัญญาคู่กันไปกับสมาธิโดยไม่แยกกันเมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุฟัดหอยมีความสว่างสวัยในธรรมในขณะนั้นเอง เธอได้กล่าวสรรเสริญคุณพระสังฆปรินายกด้วยสโลกดังต่อไปนี้ใจคือสิ่งใดพุทธะคือสิ่งนั้นนี่เป็นความจริงเสียจริ ง, รงแต่ข้าพเจ้ามัวไปปราบะย์ของตัวเองทั้งที่ไม่เข้าใจในมันบัดนี้ข้าพเจ้ารู้จักเหตุอันเป็นประธานของปริยาและสมาธิซึ่งทั้งสองอย่างนี้ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญเพื่อเปลื้องตัวเสียจากรูปธรรมทั้งหลาย ภิกษุฟัดตัชาวเมืองหุงจหเจาูคเข้ามาบรรพชาในพระาศาสนาตั้งแต่อายุเพิ่งได้เจปีมีปกติสาธยายสัตยธรรมบุญทริกสูตรอยู่เป็นนิดเมื่อท่านผู้นี้มาแสดงความเคารพต่อพระสังฆ ป, ปริณายกท่านไม่ได้กราบให้ศีรษะจดพื้นเพราะท่านทั้งการเคารพอย่างขอไปทีเช่นนี้พระสังฆ ป, ปริณายกได้ตําหนิว่าถ้าท่านรังเกียจในการที่จะก้มศีรษะให้จดพื้นแล้วการไม่ทําความเคารพเสียเลย จะไม่ดีกว่าหรือต้องมีอะไรอยู่ในใจของท่านสักอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ท่านมีความถนงเช่นนั้นขอถามว่าท่านทำอะไรเป็นประจำวันภิกษุฟัดตัดได้ตอบว่ากระผมสาธยายสัตวธรรมบุญธริกสูตรกระผมท่องตลอดทั้งสูตรสา0พันครั้งมาแล้วพระสังฆปรินายกได้เตือนว่าถ้าท่านจับใจความของสูตรนี้ได้ท่านจะไม่มีการถือตัวเช่นนี้เลย แม้ท่านจะถึงกับเคยท่องสูตรนี้มาถึง3 0 0พันครั้งแล้วถ้าท่านจับความหมายของพระสูตรนี้ได้จริงๆท่านก็จะต้องได้เดินอยู่ในทางทางเดียวกันกับข้าพเจ้าสิ่งที่ท่านเรียนสำเร็จได้ทำให้ท่านกลายเป็นคนหยิงไปเสียแล้วและยิ่งกว่านั้นดูเหมือนท่านไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปว่าการที่เป็นเช่นนี้เป็นของผิดท่านจงฟังสโลกของข้าพเจ้าเถิดเพราะเมื่อความมุ่งหมายของระเบียบ ว, วินัยต่างๆ เป็นไปเพื่อปราบปรามความทะลึ่งแล้วทำไมท่านไม่กราบให้ศรีรษะจดพื้นละ่ะการยึดถือในตัวตนเป็นทางมาแห่งบาปแต่การถือว่าการได้บรรลุธรรมหรือผลใดๆก็ตามเป็นเพียงของลมๆแลงๆนี่เป็นทางมาแห่งกุศลอันใหญ่หลวงจบแล้วพระสังฆปรินายกได้ไต่ถามถึงชื่อของท่านผู้นี้เมื่อได้ฟังว่าชื่อฟัตัซึ่งแปลว่า ผู้เข้าใจในธรรมพระสังฆปรินายกจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านชื่อฟัดตัดก็จริงแต่ท่านยังไม่เข้าใจในธรรมเลยแล้วท่านได้สรุปด้วยสโลกต่อไปอีกว่าชื่อของท่านว่าฟัดตัดท่านสาธยายพระสูตรอย่างภาคเพียรไม่ท้อถอยการท่องพระสูตรด้วยปากเป็นแต่การออกเสียงล้ว น, นสัตว์ผู้ที่มีใจสว่างสวัยเพราะจับใจความได้นั่นคือโพธิสัตว์แท้ เพราะเป็นเรื่องของปัจจัยาการอันอาจสืบซาไปถึงพบก่อนๆข้าพเจ้าจะที่บายความข้อ น, นี้แก่ท่านถ้าท่านเพียงแต่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ตัดอะไรแม้แต่คําเดียวเมื่อนั้นดอกโบจะบานขึ้นในปากของท่านเองเมื่อได้ฟังสโลกนี้ภิกษุฟัดตัดรู้สึกสลดใจและขออภัยต่อพระสังฆปรินายกเธอได้กล่าวต่อไปว่าแต่นี้ต่อไป กระผมจะเป็นคนสุบลาพและถ่อมตัวในทุกโอกาสเนื่องจากกระผมไม่มีความเข้าใจในความหมายของพระสูตรที่ท่องนั้นอย่างถูกต้องกระผมก็ชะงนในการตีความหมายอันแท้จริงของพระสูตรนั้นใต้เท้ามีความรู้และปัญญาอันลึกซึ้งที่สุดขอได้โปรดอธิบายโดยสรุปแก่กระผมเถิดพระสังคาปรินายกได้ตอบว่าฟัดตัดเอ๋ยพระธรรมเป็นของกระจ่างเต็มที่อยู่เสมอ ใจของท่านต่างหากซึ่งไม่กระจาดพระสูตรนั้นไม่มีข้อความที่น่าฉงนเลยแต่ใจของท่านต่างหากที่ทำให้พระสูตรนั้นเป็นของชวนฉงนไปในการสาธยายพระสูตรนั้นท่านทราบถึงความมุ่งหมายอันสำคัญของพระสูตรนั้นหรือเปล่าภิสูจนัดตัดได้ตอบว่ากระผมจะทราบได้อย่างไรในเมื่อกระผมมีแต่ความมึมัวทึบอยู่เช่นนี้เท่าที่กระผมทราบก็คือ ท่องอย่างไรจึงจะว่าปากกล่าวต่อกันไปได้เท่านั้นพระสังฆปรินายกได้กล่าวต่อไปว่าท่านจงสาทยายพระสูตรออกมาเถิดฉันอ่านเองไม่ได้แล้วฉันจะอธิบายความหมายให้ท่านฟังภิกษุฟัดตัดได้สาทยายพระสูตรนั้นขึ้นครั้นมาถึงบทอันมีชื่อว่านิยายเป็นเครื่องอุปมาพระสังฆปรินายกได้บอกให้หยุดแล้วกล่าวว่า ความหมายของพระสูตรสูตรนี้ก็คือเพื่อแสดงให้ปรากฏถึงความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาบังเกิดขึ้นในโลกนี้นั่นเองแม้ว่านิยายและภาพความหมายจะมีมากในข้อความแห่งพระสูตรนี้ก็ไม่มีเรื่องใดหรือภาพใดที่มุ่งจะแสดงอะไรอื่นนอกไปจากจุดประสงค์อันสำคัญ น, นี้ทีนี้อะไรเล่าคือวัตถุที่ประสงค์อะไรเล่า คือความมุ่งหมายดังที่กล่าวมานั้นข้อความในพระสูตรกล่าวว่าเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเพื่อความมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวเป็นวัตถุที่ประสงค์อันสูงสุดจริงๆเป็นความมุ่งหมายอันสูงสุดจริงๆที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้นในโลกนี้ในเรื่องนี้วัตถุที่ประสงค์เพียงอย่างเดียวความมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว อันเป็นวัตถุที่ประสงค์อันสูงสุดเป็นความมุ่งหมายที่สูงสุดที่กล่าวถึงในพระสูตรนั้นก็คือการเห็นซึ่งพุทธธรรมคนธรรมดาสามัญทั่วไปทำตัวให้ติดพันอยู่กับวัตถุในภายนอกส่วนภายในก็จมอยู่ในความเห็นผิดเรื่องความว่างเปล่าเมื่อใดเขาสามารถเบลื่งตนเองออกมาเสียจากความผูกพันอยู่กับวัตถุต่างๆที่เขาได้ประสบและเบลื่งตัวเองออกมาเสียจากความเห็นผิด เรื่องความขาดศูนย์อันเกี่ยวกับคําสอนเรื่องสุญยตาเมื่อ น, นั้นเขาจะเป็นคนอิสระจากวิชาความหลงผิดในภายในและจากสิ่งอันเป็นมายาในภายนอกบุคคลที่เข้าใจแจ่มแจ้งในความจริงอันนี้และใจของเขาสว่างสวัยออกไปในทันทีนี่แหละควรเรียกว่าผู้ที่ได้เปิดตาของเขาแล้วเพื่อการเห็นแจ้งซึ่งพุทธธรรมคําว่าพุทธานี้มีความหมายเท่ากับคําว่า การตัสรู้ซึ่งควรจะถูกกําหนดไว้ภายใต้หัวข้อดังที่กําหนดไว้ในสุดสีหัวข้อดังต่อไปนี้เปิดตาขึ้นเพื่อการเห็นแจ้งทำอันเป็นเหตุให้ตัสรู้แสดงความเห็นแจ้งในทำอันเป็นเหตุให้ตัสรู้นั้นให้ปรากฏตื่นขึ้นเพื่อการเห็นแจ้งในธทำอันเป็นเหตุให้ตัสรู้ เป็นผู้ตั้งมั่งในธรรมอันเป็นเหตุให้ตัสรู้เมื่อได้รับการสั่งสอนแล้วถ้าเราสามารถจับฉวยและเข้าใจโดยทั่วถึงในคําสอนอันว่าด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้ตัสรู้เมื่อนั้นแหละคุณสมบัติอันประจำอยู่ภายในหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งว่าธรรมชาติอันแท้จริงอันได้แก่ธรรมอันเป็นเหตุให้ตัสรู้นั้นก็จะมีโอกาสแสดงตัวออกมาให้ปรากฏ ท่านไม่ควรตีความหมายในตัวพระสูตรอย่างผิดๆแล้วลงมติเสียในที่สุดว่าพุทธธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีไวสาหรับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่เป็นของทั่วไปสาหรับเราทั้งหลายด้วยโดยที่เผอิญไปพบข้อความในสูตรที่กล่าวไว้ว่าเปิดตาขึ้นเพื่อการเห็นแจ้งในพุทธธรรมแสดงความเห็นแจ้งในพุทธธรรมให้ปรากฏดังนี้การตีความหมายผิดเช่นนี้ จะถึงกับเป็นการป้ายร้ายให้แก่พระพุทธเจ้าและเป็นการแช่งด่าพระสูตรนั่นเองทุกๆคำที่ตนพูดเพราะเขาก็เป็นพุทธะด้วยคนหนึ่งเขาจึงมีโพธิธรรมอันนี้มาด้วยพร้อมแล้วแต่ไม่มีโอกาสสำหรับเขาเองที่จะเปิดตาออกดูสิ่งอันนั้นเพราะฉะนั้นท่านควรจะรับเอาการตีความหมายที่ว่าพุทธธรรมธรรมที่ทาให้เป็นพุท ธ, ธนั้นคือพุทธธรรมของ ใจเราเองหาใช้ของพระพุทธเจ้าอื่นใดที่ไหนไม่เมื่อถูกทำให้หลงรักโดยอารมณ์อันยั่วยวนและปิดกั้นตัวเองเสียจากความสว่างของตัวเองด้วยเหตุอันนั้นสัตว์ทั้งปวงซึ่งระทมทุกข์อยู่เพราะอารมณ์ภายนอกและความเร่าร้อนภายในจึงได้ตกเป็นเหมือนธาตแห่งตัณหาของตนเองโดยหมดสิน้นเมื่อทรงเห็นเหตุการณ์อันนี้พระพุทธองค์ของเราจึงได้ทรงลุกออกจากสมาธิ เพื่อเร้าใจสัตว์เหล่านั้นด้วยพระโอวาทอันเป็นเครื่องกระตุ้นมีประการต่างๆให้ย่ำดีตันหาของตนเองและเว้นขาดเสียจากการแสวงสุขจากอารมณ์ภายนอกพ<ร>เพื่อว่าเขาจะได้เป็นผู้เสมอกันกับพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอันนี้เองข้อความในตัวสูตรจึงมีว่าเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมข้าพเจ้าได้ตักเตือนคนทั่วไปอยู่เสมอให้เปิดตาของตนเอง เพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมในภายในใจของตนเองแต่ด้วยอำนาจความผิดปกติของคนเหล่านั้ น, น, น, นเขาพากันทำบาปภายใต้อวิชชาและความโง่เขลาปากของเขาว่าการุณาแต่ใจของเขาโหดร้ายเขาเป็นคนตกะกละมุ่งร้ายริษยาโคดโก้ซอพรเข้าข้างตัวลุกร้านคนอื่นเป็นผู้ทำลายกระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตดังนั้นจึงชื่อว่าเขา เปิดตาของเขาขึ้นเพื่อปุถุชนธรรมถ้าเขากลับใจของเขาเสียในลักษณะที่ปัญญาปรากฏตัวอยู่ตลอดการใจก็จะมีความเห็นแจ้งในภายในอยู่เป็นปกติการทําชั่วก็จะมีการทําดีเข้ามาแทนที่แล้วเขาก็จะลากตัวเองเข้ามาในทางแห่งพุทธธรรมได้ด้วยเหตุนั้นเพราะฉะนั้นท่านควรจะเปิดตาของท่านอยู่ทุกๆขณะมิใช่เพื่อปุถุชนธรรมแต่เพื่อ พุทธธรรมซึ่งเป็นสิ่งอยู่เหนือวิสัยโลกในเมื่อปุถุชนธรรมเป็นของอย่างโลกโลกอีกอย่างหนึง่งถ้าหากท่านติดแน่นอยู่ในความคิดเห็นของตัวเองว่าเพียงแต่สาธยายพระสูตรเป็นประจำวันอย่างเดียว<ๆ>ก็เป็นการดีเพียงพอเสียแล้วดังนี้ท่านจะหลงรักมันเหมือนจา ม, มารีหลงรักโค้งหางของมันเองจา ม, มารีนั้นเป็นสัตว์ที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีความหวงแหนอย่างแรงกล้าในหางของมันในขณะนั้น ภิกษุฟาตัดได้ถามขึ้นว่าถ้าเป็นดังนั้นเราเพียงแต่รู้ความหมายของพระสูตรก็พอแล้วไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องสาธยายข้อความนั้นนั้นถูกไหมขอรับพระสังฆารินายกได้ตอบว่าไม่มีอะไรเป็นของผิดอยู่ในพระสูตรจนถึงกับท่านจะต้องเลิกการสาธยายเสียเลยการสาธยายพระสูตรจะช่วยให้ท่านตัดสรุปทมได้หรือไม่จะเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านหรือไม่ ข้อนั้นทั้งหมดมันเมื่องอยู่ที่ตัวท่านเองผู้ที่ท่องพระสูตรอยู่ด้วยปากและเอาข้อความไปปฏิบัติอยู่เสมอด้วยใจคนนั้นชื่อว่าพลิกพระสูตรส่วนผู้ที่ท่องพระสูตรแต่ปากปราศจากการปฏิบัติแต่อย่างใดผู้นั้นชื่อว่าถูกพลิกเสียแล้วโดยพระสูตรที่เขาท่องนั้นเองท่านจงฟังสโลปโครงของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้เมือ่อ ใ, ใจของเราตกอยู่ภายใต้อวิชชา สัทธำบุญทริกสูตรพลิกเราเมื่อมีใจสว่างสวัยในธรรมเมื่อนั้นเรากลับพลิกสัตธมบุญทริ ก, รรรรกสูตรการสาธยายสูตรนับให้ท้วนครั้งโดยไม่ทราบความหมายนั้นย่อมแสดงว่าท่านเป็นแขกแปลกหน้าต่อใจความของพระสูตรวิธีที่ถูกต้องสำหรับการสาธยายสูตรก็คืออย่ายึดถือตามความเห็นของตัว มิฉะนั้นแล้วมันจะต้องพลาดผู้ที่อยู่เหนือการรับและการปฏิเสธย่อมนั่งอยู่เนืองนิดบนเกวียนวัวขาวกล่าวคือพุทธญาณเมื่อได้ฟังสรุกนี้จบแล้วภิกษุฟัตตัดเกิดความสว่างสวัยในธรรมและมีน้ำตาไหลได้ร้องขึ้นว่าเป็นความจริง ที่ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะพลิกพระสูตรแต่เป็นข้างพระสูตรเสียเองมากกว่าที่พลิกข้าพเจ้าลำดับนั้นภิกษุฟัดตัดได้ยกเรื่องอื่นขึ้นมาถามต่อไปว่าพระสูตรได้กล่าวว่านับตั้งแต่พระสาวกขึ้นไปจนถึงพระโพธิสัตว์แม้ท่านเหล่านี้จะได้พยายามจนสุดกำลังก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจทั่วถึงในพุทธธรรมดังนี้แต่เท้าเท้าได้ทําให้กระผมเข้าใจว่าแม้คนธรรมดาเรา ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งถึงใจของตนเอง เ, เขาก็ได้ชื่อว่ารู้ถึงพุทธธรรมแล้วดังนี้กระผมเกรงไปว่ายกเว้นพวกที่เฉียบแหลมอย่างยิ่งเสียแล้วคนนอกนั้นจะสงสัยไม่เชื่อคำสอนของใต้เท้ายิ่งกว่านั้นในสูตรมีกล่าวถึงยานสามชนิดคือเกวียนเทียมด้วยแพะสาวกยานเกวียนเทียมด้วยกวางปัดเจกพุทธยานและเกวียนเทียมด้วยวัวโพธิสัตยานแล้วก็ยานทั้งสามนี้ ผิดแปลกแตกต่างไปจากเวียนวัวขาวได้อย่างไรเล่าพระสังฆปริณายกได้ตอบว่าในข้อนี้พระสูตรได้แสดงไว้ชัดเจนแล้วท่านเองต่างหากที่เข้าใจผิดเหตุผลที่ว่าทําไมพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์ไม่สามารถเข้าใจในพุทธธรรมได้ก็เพราะท่านเหล่านั้นเพ่งจ้องต่อพุทธธรรมท่านเหล่านั้นสามารถประมวลกําลังความเพียรทั้งหมดเพื่อเพ่งก็จริง แต่เขายิ่งเพ่งหนักเข้าเท่าไหร่เขาก็ยิ่งห่างออกไปจากธรรมนั้นมากขึ้นเพียงนั้นพระโคตมาพุทธะได้จัดพระสู่นี้แก่คนธรรมดาทั่วไปมีใช่จัดแก่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆด้วยกันแต่สําหรับผู้ที่ไม่สามารถรับเอาคําสอนที่พระองค์ทรงแนะให้พระองค์ก็ปล่อยให้เขาหลุดไปจากหมู่ดูเหมือนท่านจะยังไม่ทราบว่าพอเราได้นั่งอยู่บนเกวียนวัวขาวเรียบร้อยแล้ว เราก็าไม่มีความจําเป็นที่จะออกเที่ยวสแสวงหากเกวียนอื่นอีกสามชนิดเหล่านั้นยิ่งกว่านั้นพระสูตรก็ได้บอกแก่ท่านอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่ามีแต่พุทธญาณเท่านั้นไม่มียานอื่นที่ไหนอีกในฐานะเป็นญาณที่สองที่สเพราะเหตุที่จะให้เราเข้าใจในญาณอันเอกอันนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงสั่งสอนเราด้วยวิธีที่พระองค์ทรงช่ำชองมาแล้วมีปริยายต่างๆทรงใช้เหตุผลและข้อถเถียง มีปริยายต่างๆพร้อมทั้งนิทานเปรียบและภาพเปรียบและอื่นๆทำไมท่านจึงไม่อาจเข้าใจได้ว่ายานทั้งสามเหล่านั้นเป็นของชั้นสมมุติให้เด็กเล่นสำหรับใช้กับเรื่องที่ล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วส่วนยานอันเอกคือพุทธยานนั้นเป็นของชั้นยอดเยี่ยมและเพื่อใช้กับเรื่องในปัจจุบันปัจจุบันวพระสูตรได้สอนให้ท่านตั้งหน้าบาเพ็ญไปโดยไม่ต้องเป็นห่วงถึงของสมมติให้เด็กเล่นเหล่านั้น และให้เพ่งตรงไปยังของชั้นสูงสุดอย่างเดียวเมื่อถึงชั้นสูงสุดแล้วท่านก็จะพบว่าสิ่งที่เรียกกันว่าชั้นสูงสุดนี้ก็มิได้มีอยู่เลยท่านจะรู้สึกเห็นด้วยในข้อที่ว่าท่านเองผู้เดียวเป็นเจ้าของสิ่งอันสูงฆ่าเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการจัดการทาของท่านเองล้วนๆเมื่อใดท่านปลื้มตัวออกมาเสียไดจากการนึกดาเอาเองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของพ่อหรือเป็นของลูกๆหรือว่ามันอยู่ที่การจัดการทำของคนนั้นคนนี้เมื่อนั้นแหละท่านจะได้ชื่อว่าดําเนินการสาธยายพระสูตรไปโดยถูกทางเมื่อทำได้ดังนี้พระสูตรก็จะชื่อว่าอยู่ในกำมือของท่านทุกกัดทุกการและท่านก็จะชื่อว่าสาธยายพระสูตรทุกเช้าเย็นตลอดทุกเวลาที่เดียวเมื่อภิกษุฟตัดได้รับคาสั่งสอนจนเห็นแจ้งเช่นนั้น ได้กล่าวสรรเสริญพระสังฆปรินายกด้วยความปรากเปื่มใจเป็นล้นพ้นด้วยสโลกเหล่านี้ว่าความสำคัญผิดว่าเราได้รับกุศลเป็นอันมากในการสาธยายพระสูตรมากกว่าสามพันครั้งได้ถูกขับไล่ไปหมดด้วยคำพูดคำเดียวของท่านอาจารย์แห่งสำนักโชโกายผู้ที่ไม่เข้าใจในความมุ่งหมายของการที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่สามารถข่มขีกิเลสร้ายอันตนได้สะสมมาเป็นชัดชาติยานสามชนิดซึ่งเทียนด้วยแพะกวางและวัวตามลำดับนั้นจะเป็นเพียงของเด็กเล่นไปเองในเมื่อระดับทั้งสามคือชั้นต้นชั้นกลางชั้นสุดอันเป็นของที่อธิบายกันอยู่ในชั้นที่เรียนธรรมะไปตามแบบแผนได้ถูกจัดถูกทาไปจนถึงที่สุดแล้วจริงๆน้อยคนเหลือเกิน ที่จะยอมเห็นด้วยว่าในเรือนที่ไฟกําลังไหม้นั่นเองมีพระธรรมราชาซึ่งเราจะหาพบได้พระสังฆปรินายกได้กราบแก่ภิกษุฟัตตัด ต, ตอบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปภิกษุฟัด ต, ตัดควรจะเรียกตัวเองว่าภิกษุผู้สาธยายพระสูตได้แล้วหลังจากการสนทนากันครั้งนี้ภิกษุฟัด ต, ตัดก็สามารถจับฉวยเอาใจความอันลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาได้ และเธอยังคงสาธยายพระสูตรไปดังเช่นก่อนภิกษุชิตทองเป็นชาวบ้านชูเจา้าแห่งอานฟุงได้อ่านลังกาวตารสูตรมาเกือบพันครั้งแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายของตรีกายและปรัชญาทั้งสี่เหตุนี้จึงได้ไปหาพระสังคปรินายกให้ช่วยอธิบายความพระสังคปรินายกได้ให้คำอธิบายว่าในกายทั้งสามนั้น ธรรมกายอันบริสุทธิ์ก็คือตัวธรรมชาติตัวแท้ของท่านนั่นเองสัำโภคกายอันสมบูรณ์ก็คือตัวปริชายาญของท่านส่วนนิรมาณกายนับด้วยหมื่นแสนก็คือการกระทำต่างๆของท่านถ้าท่านจะให้กายทั้งสามนี้เป็นของต่างหากจากจิตเดิมแท้มันก็เกิดมีกายซึ่งปราศจากปัญญาขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ากายทั้งสามนี้ไม่มีตัวตนแท้จริงของมันเองอะไรที่ไหนอีก เพราะมันเป็นแต่เพียงสมบัติของจิตเดิมแท้ดังนี้แล้วท่านก็จะลู้ถึงโพธิของปรัิญาสี่ประการโดยแน่นอนจงฟังสโลปของฉันดัำต่อไปนี้กายทั้งสามีอยู่แล้วในจิตเดิมแท้ของเราซึ่งโดยการงอกงามของจิตเดิมแท้นั่นเองปริยาทั้งสี่ก็ปรากฏตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูของท่านเพื่อหลีกอารมณ์ภายนอก ท่านก็สามารถเข้าถึงพุทธภาวะได้โดยจังจังหน้ากับอารมณ์เมื่อข้าพเจ้าได้อธิบายแก่ท่านอย่างเปิดเผยจนเห็นเองเช่นนี้แล้วจงเชื่ออย่างแน่วแน่เถิดท่านจะหลุดพ้นจากความหลงตลอดไปอย่าไปตามคนพวกที่สแสวงหาการตรัสรู้จากภายนอกกายคนพวกนี้พูดถึงโพธิอย่างพร่ำเพื่อแต่ตัวยังไม่เคยรู้เห็นเสียเลยภิกษุชีทองได้ขอร้องต่อไปว่า ขอได้เท้าได้กรุณาให้กระผมทราบข้อความอันเกี่ยวกับปรัช ญ, ญาทั้งสี่นั้นบ้างเถิดพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าถ้าท่านเข้าใจในเรื่องกายสามนี้แล้วท่านก็จะเข้าใจในเรื่องปรัช ญ, ญาทั้งสี่ได้เองฉะนั้นคำถามของท่านเป็นของไม่จาเป็นถ้าท่านทำให้ปรัช ญ, ญาทั้งสี่อยู่ต่างหากจากกายทั้งสสิแล้วก็จะเกิดมีปรัช ญ, ญาซึ่งปราศจากกายขึ้นโดยแน่นอนซึ่งเมื่อเป็นดังนี้มันหาใช่เป็นปรัช ญ, ญาไม่ พระสังคปรินายกได้กล่าวสโลกอื่นต่อไปอีกว่าปัญญาอันเปรียบด้วยกระจกสองนั้นบริสุทธิ์อยู่เองโดยธรรมชาติปัญญาเห็นความเสมอภาคนั้นย่อมเปลื้องจิตเสียจากเครื่องกั้นทั้งปวงปัญญาเครื่องเห็นสิ่งทั้งปวงนั้นเห็นสิ่งทั้งปว ง, ง, ง, งแจ่มแจ้งโดยไม่ต้องอาศัยแนวแห่งเหตุผลปัญญาเครื่องกระทาสิ่งทั้งปวงนั้นมีลักษณะอย่างเดียวกันกับ ปัญญาอันเปรียบด้วยกระจกสองวิญญาณทั้งห้าข้างต้นและอาลัยวิญญาณย่อมแปล ร, รูปเป็นปรัชญาในขั้นที่ตัสรู้เป็นพุท ธ, ธาย่างเดียวกับที่กลฤตตะมโนวิญญาณและมโนวิญญาณแปล ร, รูปเป็นปรัชญาในขั้นที่เป็นเพียงโพธิสัตย์คำที่เรียกว่าการแปล ร, รูปของวิญญาณดังที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อที่ใช้เรียกเท่านั้นส่วนตัวจริงหามีอะไรเปลี่ยน ไ, นไม่เมื่อใดท่านสามารถเปลื้องตัวเองให้หมดจดจากความผูกพันของโลกิยารมในขณะที่มีการแปล ร, รูปของวิญญาณดังกล่าวมาแล้วเมื่อนั้นท่านชื่อว่าตั้งอยู่ในนาคสมาธิอันทยอยกันเกิดขึ้นติดต่อกันไปตลอดกาลเนื่องนิดภิกษุชีทองได้ฟังคาอธิบายนี้ได้มีความเห็นแจ้ง ในปริ ญ, ญาแห่งจิตเดิมแท้ในขณะนั้นเองและได้กล่าวสโลกแก่พระสังฆปรินายกดังต่อไปนี้แน่นอนเหลือเกินกายทั้งสา ม, มีอยู่ในจิตเดิมแท้เมื่อใจเรารู้ธรรมสว่างสวยัยปริ ญ, ญาทั้งสี่ก็ปรากฏเด่นอยู่ในนั้นเมื่อใดกายและปรัิญาเหล่านั้นเกิดความรู้แจ้งซึ่งกันและกันว่าเป็นของอันเดียวกันแล้วเมื่อนั้นเราก็สามารถตอบสนองคําขอร้องของสัตว์ทั้งปวง โดยเหมาะสมแก่อปนิสัยและอารมณ์ของสัตว์นั้นไม่ว่าสัตว์นั้นนั้นจะอยู่ในรูปร่างชนิดใดการเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการสแสวงหากายสามและปรัชญาทั้งสี่นั้นเป็นการถือเอาทางผิดโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราเองแล้วเรื่องของมันก็คือทำให้เห็นแจ้งออกมาไม่ใช่เที่ยววิ่งสแสวงหาการพยายามจะจับฉวยหรือกลุมตัวสิ่งเหล่านี้ เป็นการกระทำที่ขัดขวางต่อธรรมชาติแท้ของมันอย่างตรงกันข้ามเพราะได้อาศัยใต้เท้าและขอรับบัดนี้กระผมจึงสามารถจับใจความอันลึกซึ้งของมันได้และตั้งแต่ น, นี้ต่อไปกระผมสามารถสลัดทิ้งความเท็จเทียมและชื่อต่างๆที่หลงตั้งขึ้นเรียกตามโมหะของตนของตนตลอดนิจการภิกษุชี้ชวนเป็นชาวบ้านตำบลกวยกายแห่งชุนเจา้า เข้ามาบวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กและแข็งข้อในการภาคเพียนเพื่อการเห็นแจ้งจิตเดิมแท้วันหนึ่งภิกษุรูปนี้ได้มานมั ส, สการพระสังฆปริณายกและถูกพระสังฆปริณายกถามว่ามาแต่ไหนและมาทำไมภิกษุชี้ชวงได้ตอบขึว่าเมื่อไม่นานมานี้กระผมได้ไปที่ภูเขาผาขาวในเขตหุงเจาเพื่อสนทนากับพระอาจารย์ตาตุงผู้ที่สามารถพอจะสอนกระผมได้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ และรู้ถึงพุทธภาวะด้วยเหตุนั้นแต่เพราะเหตุที่กระผมยังคงมีความสงสัยอยู่หลายประกาศจึงอุตส่าห์เดินทางมาไกลถึงที่นี่เพื่อนำมาส ก, การท่านอาจารย์ขอได้โปรดอธิบายข้อสงสัยเหล่านั้นแก่กระผมด้วยเถิดพระสังฆปรินายกได้ถามขึ้นว่าเขาได้แนะนําท่านว่าอย่างไรบ้างเล่าภิกษุชีช่วงได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้พักอยู่ที่นั่นจนถึงสามเดือนแล้วโดยไม่ได้รับคําแนะนําอย่างใดเลย และมีความกระหายในทำแรงกล้าขึ้นทุกทีคืนวันหนึ่งกระผมลำพังผู้เดียวได้เข้าไปในห้องของท่านอาจารย์ตาตุ่มนั้นและถามท่านว่าจิตเดิมแท้ของผมคืออะไรท่านถามว่าเธอมองเห็นความว่างอันไม่มีขอบเขตจำกัดไหมกระผมตอบท่านว่ามองเห็นท่านถามต่อไปว่าความว่างที่ว่านั้นมีรูปร่างเฉพาะของมันเองหรือไม่ครั้นกระผมตอบว่า ความว่างยกไม่มีรูปร่างฉะนั้นจึงไม่มีรูปร่างโดยเฉพาะของมันเองดังนี้แล้วท่านกล่าวต่อไปว่าจิตเดิมแท้ของเธอเป็นเหมือนกับความว่างอย่างตรงเพงทีเดียวล่ะ ก, การเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราอาจมองพบตัวมันนี่คือทิฏฐิอันถูกต้องการเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราอาจรู้จักมัน ให้ถูกต้องได้นี่แหละคือความรู้อันถูกต้องการเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่เขียวมันไม่ใช่เหลืองมันไม่ใช่สั้นมันไม่ใช่ยาวว่ามันเป็นของบริสุทธิ์อยู่โดยธรรมชาติและว่าเนื้อแท้ของมันนั้นสมบูรณ์และสดใสนี่แหละคือการเห็นแจ้งจิตเดิมแท้และลุ้ถึงพุทธภาวะได้ด้วยเหตุนั้นซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะ ที่ทำให้คนเป็นพระพุทธะแต่กระผมไม่เข้าใจคำสอนของท่านอาจารย์ตาตรงเสียเลยขอใต้เท้าจงกรุณาทำความแจ่มแจ้งให้แก่กระผมด้วยเถิดขอรับพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าคำสอนของท่านผู้นั้นชี้ชัดอยู่แล้วว่าเขายังมีความรู้สึกที่นึกเอาเองในเรื่องอันเกี่ยวกับทิฏฐิและความรู้เหลืออยู่และอันนี้เองที่สอให้เห็นว่าทาไมเขาจึงไม่สามารถ ทำความกระจ่างให้แก่ท่านได้จงฟังสโลกของฉันดังต่อไปนี้การเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราอาจมองพบตัวมันแต่แล้วก็ยังคงเก็บเอาความรู้สึกว่าความไม่อาจจะมองเห็นได้ไว้อีกข้อนี้เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ถูกบังอยู่ด้วยเมฆที่ลอยมาขวางหน้าการเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลย ที่เราอาจจะรู้จักมันได้แต่แล้วก็เก็บเอาความรู้สึกว่าความที่ไม่อาจจะรู้ได้ไว้อีกข้อนี้อาจเปรียบกันได้กับท้องฟ้าแจ่กระจา่างแต่เสียรูปไปเพราะสายฟ้าแลบการปล่อยให้ความรู้สึกนึกเอาเองเช่นนี้เกิดขึ้นตามสบายในใจของท่านย่อมแสดงว่าท่านไม่รู้จักจิตเดิมแท้อย่างถูกต้องด้วย ท่านไม่มีเครื่องมืออะไรที่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ท่านรู้ได้ด้วยถ้าท่านรู้อย่างแจ้งฉานแม้เพียงขณะเดียวเท่านั้นว่าความรู้สึกที่นึกเอาเองเช่นนั้นเป็นของผิดใช้ไม่ได้แล้วแสงสว่างภายในจิตของท่านเองจะลุกโคลงออกมาอย่างถาวอดเมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุชี้ชวงรู้สึกว่าใจของตนได้สว่างสวัยในขณะนั้นเองเพราะเหตุนั้น เธอจึงกล่าวสโลกแก่พระสังฆปริณายกดังต่อไปนี้การยอมให้ความรู้สึกว่าความไม่อาจจะมองเห็นได้และความไม่อาจจะรู้ได้เกิดขึ้นในใจตามความพอใจของตัวนั้นเป็นการแสวงหาโพธิโดยไม่ต้องเปลื้องตัวเองให้อิสระจากความคิดต่างๆที่ตนเดาเอาเองในเรื่องอันเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงผู้ที่พยองพองตัวด้วยความรู้สึกอันเบาแต็งว่าบัดนี้ เรารู้แจกแล้วนั้นก็ยังไม่ดีไปกว่าเมื่อเขายังไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าหากข้าพเจ้าไม่ได้มาหมอบอยู่แทบเท้าของพระสังฆปรินายกข้าพเจ้ากขายังคงงงงันไม่รู้จะเดินทางไหนถูกอยู่นั่นเองในวันหนึ่งภิกษุชี้ชวงได้ถามพระสังฆปรินายกว่าพระพุทธองค์ได้ประกาศคาสอนเรื่องยานสามชนิดและเรื่องยานชั้นสูงสุดไปด้วยแต่กระผมไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ขอให้ใต้เท้าจงกรุณาอธิบายเถิดพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าในการพยายามเพื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้ท่านควรจะส่องดูที่ใจของท่านเองและทำตัวต่อสิ่งทั้งปวงในภายนอกอย่างมีอิสระความแตกต่างระหว่างยานทั้งสี่ชนิดมีได้อยู่ที่ตัวธรรมะแต่อยู่ที่ความแตกต่างของใจคนที่จะปฏิบัติธรรมะการดูการฟังการท่องพระสูตร เป็นยาณขนาดเล็กการรู้ธรรมและเข้าถึงความหมายเป็นยาณขนาดกลางการเอาธรรมะที่รู้นั้นมาปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยนี่คื อ, อยาณขนาดใหญ่การเข้าใจธรรมทั้งปวงอย่างปรุโปร่งได้ดื่มรสธรรมะนั้นอย่างสมบูรณ์เป็นอิสระจากเครื่องร้อยรับทั้งปวงมีใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง และไม่ถืออะไรไว้โดยความเป็นของตนนี่แหละคือญาณอันสูงสุดเนื่องจากคําว่าญาณหรือพาหณนะคํานี้หมายถึงเครื่องเคลื่อนกล่าวคือการน้อมนํามาปฏิบัติดังนั้นข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ไม่มีความจําเป็นเสียเลยทั้งหมดทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตัวเองดังนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องถามปัญหาใดๆอีกเลย แต่ฉันขอเตือนท่านให้ระลึกไว้ว่าตลอดทุกการเวลาจิตเดิมแทน้นคงดำรงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอภิกษุชี้ชวงสแสดงความเคารพและขอบพระคุณพระสังฆปรินายกจำเดิมแต่นั้นมาท่านได้ทำตนเป็นผู้ปฏิบัติพระสังฆปรินายกจนตลอดชีวิตของพระสังฆปรินายกภิกษุชีตาว เป็นชาวเมืองน้ำหอยแห่งกวางตุง้งได้มาหาพระสังฆปรินายกเพื่อขอคำแนะนำตักเตือนได้กล่าวแก่พระสังฆปรินายกว่านับแต่กระผมได้บวชมานี้กระผมได้อ่านมหาปรินิราวนานสูตรมา ก, กว่าสิบปีแล้วแต่กระผมก็ยังไม่สามารถจับโวยเอาใจความสาคัญของสูตรนั้นได้ขอไต้เท้าได้โปรดสอนแก่กระผมด้วยเถิดพระสังฆปริณายกได้ถามว่า พระสูตรตอนไหนเล่าที่ท่านยังไม่เข้าใจภิกษุชีตาวจึงกล่าวตอบว่าข้อความในพระสูตรตอนที่กระผมไม่เข้าใจนั้นมีว่าสิ่งทุกสิ่งไม่คงตัวอยู่อย่างถาวรดังนั้นสิ่งทั้งปวงจึงตกอยู่ใต้อำนาจของธรรมที่เป็นความเกิดขึ้นและความแตกดับกล่าวคือสังคตะธรรมเมื่อความเกิดขึ้นและความแตกดับมาสิ้นสุดลงด้วยกัน สารที่สุดแห่งความหยุดได้โดยสมบูรณ์และความสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ น, นิพพานย่อมปรากฏขึ้นพระสังฆปริณายกได้ถามว่าอะไรเล่าที่ทําให้ท่านสงสัยภิกษุชิตาได้ตอบว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงย่อมมีกายสองกายกล่าวคือกายเนื้อและกายธรรมกายเนื้อไม่คงตัวอยู่อย่างถาวรมันมีอยู่และตายไปส่วนกายธรรมนั้น ตั้งอยู่อย่างถาวรไม่รู้อะไรไม่มีความรู้สึกอะไรทีนี้ในพระสูตรกล่าวว่าเมื่อความเกิดขึ้นและความแตกดับมาสิ้นสุดลงด้วยกันสารที่สุขแห่งความหยุดได้โดยสมบูรณ์และความสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ น, นิพพานย่อมปรากฏขึ้นมาดังนี้กระผมไม่เข้าใจได้เลยว่ากายไหนสิ้นสุดลงและกายไหนยังอยู่เพื่อดื่มรสแห่งสารตินั้น มันเป็นไปไม่ได้ที่กายเนื้อจะดื่มรสแห่งสารติเพราะว่าเมื่อมันตายมหาภูตะทั้งสี่คือวัตถุธาตุกล่าวคือดินน้ำลมไฟจะกระจัดกระจายจากกันและการกระจัดกระจายจากกันนั้นเป็นความทุกข์ล้วนและตรงกันข้ามจากสารที่สุกโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเป็นธรรมกายที่สิ้นสุดลงไปแล้วมันก็จะตกอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกัน กับสิ่งที่มิใช่สัตว์ซึ่งได้แก่ผักหญ้าต้นไม้ก้อนหินและอื่นๆเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครเล่าจะเป็นผู้ดื่มรสแห่งสันตินั้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือสภาวะธรรมดาย่อมเป็นหัวใจหรือตัวการของความเกิดขึ้นและความแตกนับอันแสดงตัวออกมาในรูปของขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือถ้าจะกล่าวกันอย่างง่ายๆก็คือว่า มีตัวการแค่ตัวเดียวแต่อาการของมันมีถึง5อย่างนั่นเองกระแสะแห่งการเกิดขึ้นและการแตกดับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออาการหรือการทำตามหน้าที่ยังมีออกมาจากตัวการนั้นแล้วกระแสะนั้นมีไหลไปเรื่อยเมื่อการปฏิบัติงานหรืออาการนั้นถูกดูดกลับคืนไปยังตัวการกระแสะก็หยุดไหลเมื่อการถือกาเนิดใหม่ ยังมีได้อยู่เพียงใดก็ดย่อมไม่มีการสิ้นสุดแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่เพียงนั้นดังจะเห็นได้ในกรณีของสัตว์มีชีวิตทั่วไปถ้าการถือกำเนิดใหม่ไม่เข้ามาแทรกแซงแล้วสิ่งต่างๆก็จะอยู่ในสภาพของสิ่งที่ไร้ชีวิตดังเช่นวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้แล้วภายในขอบเขตอันจากัดเฉียบขาดของนิพานนั้นย่อมมีไม่ได้แม้แต่ความมีอยู่ ของสัตว์เช่นนี้แล้วจะมีความเปรยปรีในการดื่มรสของนิพพานอะไรกันได้เล่าพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าท่านก็เป็นบุตรคนหนึ่งของพระชินพุทธคือเป็นภิกษุทำไมจึงรับเอาความเห็นผิดแห่งสัสตถถทิฏฐิและอุจเฉตททิฏฐิของพวกเห็นผิดนอกพุทธศาสนาและทั้งกล้าตำหนิคำสอนของลัทธิอุตรยานข้อแย้งของท่านยืนยันว่า มีกายทาอยู่ต่างหากจากกายเนื้อและ ว, ว่าความหยุดได้โดยสมบูรณ์และความสิ้นสุดของความเปลี่ยนแปลงนั้นต้องสแสวงหาจากที่อื่นนอกไปจากความเกิดขึ้นและความแตกดับยิ่งกว่านั้นจากข้อที่กล่าวว่านิพพานเป็นความเปลียนปรีไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองท่านเชื่อโดยการพิสูจน์ว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นผู้เปรี่ยนปรี ความเห็นผิดเหล่านี้เองมิใช่อื่นที่ทำให้คนทั้งปวงเทเยรทยานอยากเกิดเป็นสัตว์ชนิดที่มีอวัยวะรู้รสของอารมณ์และปลนเปลือตัวเองด้วยความเพลินอย่างวิสัยโลกและเพื่อคนเหล่านี้ซึ่งเป็นเหยื่อของอวิชชาซึ่งถือว่าการประชุมของขันทั้งห้าเป็นตัวตนและถือสิ่งนอกนั้นว่ามิใช่ตัวตนซึ่งหลงรับ ก, การเกิดของตัว และเกลียดชังความตายอย่างสุดจิตสุดใจซึ่งลอยไปมาอยู่ในวังวนของความเกิดและความตายโดยไม่มีการสํานึกถึงความว่างกลวงไร้แก่นสารของโลกียภพซึ่งเป็นแต่เพียงความฝันหรือมายาซึ่งทําความทุกข์ขึ้นใส่ตัวเองโดยไม่จําเป็นด้วยการพ่วงตัวเองเข้ากับสังสารวัฏแห่งการเวียนเกิด ซึ่งเข้าใจผิดต่อภาวะแห่งความกปลี่ยปรีไม่มีที่สิ้นสุดของนิพพานในฐานะเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งและซึ่งเล่นตามหาความเพลิดเพลินจากอารมณ์อยู่เหนืองนิดเหล่านี้เองแท้ๆที่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาได้ทรงแสดงสารติอันแท้จริงของนิพพานไว้ให้เขาโดยจำท้อเจาะจงไม่ว่าในขณะใ ด, ดหมดนิพพาน ย่อมไม่มีปรากฏการ์แห่งการเปลี่ยนแปลงหรือแห่งการแตกดับไม่มีแม้กระทั่งความสิ้นสุดของการทำหน้าที่ของความเกิดขึ้นและความแตกดับนิพพานเป็นการแสดงออกของความหยุดหยุดได้โดยสมบูรณ์และความสิ้นสุดของความเปลี่ยนแปลงแต่แม้ในขณะแห่งการแสดงออกนั้นก็ไม่มีความเห็นว่าเป็นการแสดงออก ดัง น, น, นั้นจึงถูกเรียกว่าความเปลม่ปรีอันไม่รู้จักหมดสิน้นซึ่งไม่ต้องมีตัวผู้เปลี่ยนปรีหรือผู้ไม่เปลี่ยปรีใดอย่างใดไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวได้ว่ามีตัวการอยู่ตัวหนึ่งแล้วมีอาการของมันห้าอย่างเหมือนที่ท่านยืนยันท่านกําลังกล่าวไฝยร้ายพระพุทธองค์และกาลังใส่ร้ายพระธรรมโดยที่ท่านไปไกลจนถึงกับกล่าวว่าภายใต้ขอบเขตอันจากัดเฉียบขาดของนิพพาน ย่อมมีไม่ได้แม้แต่ความมีอยู่ของสัตว์ทุกชนิดจงฟังสโลกของฉันดังต่อไปนี้มหาปรินิพานอันสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมถาวรสงบและรุ่งเรืองสว่างไสวคนสามัญและคนเก่าหลงเรียกนิพานนั้นว่าความตายฝ่ายพวกมิจฉาทิฏฐิก็ถือตามชอบใจว่านิพานนั้นเป็นความขาดศูนย์ พวกที่เป็นฝ่ายสาวกยานและปัจเจกพุทธยานเห็นพระนิพพานว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการกระทัาทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคำนวณเอาด้วยสติปัญญาของคนสามัญและย่อมจะสร้างรากฐานแห่งมิจฉาทิธฐิ62ประการขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงชื่อต่างๆที่คิดเดาเอาเองประดิษฐ์ขึ้นเองในขณะที่เขาไม่รู้ว่า จะทำอย่างไรต่อสัจธรรมอันสูงสุดนั้นเฉพาะพวกที่มีใจสูงเหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่อาจจะเข้าใจได้ถูกต้องว่านิพานนั้นคืออะไรกันแน่และวางตนไว้ในลักษณะที่เข้าัวผันด้วยก็ไม่ใช่เฉยเมยก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่าขันทั้งห้าและสิ่งที่เรียกกันว่าตัวตน อันเกิดขึ้นจากการประชุมพร้อมของขันธ์ทั้งห้านั้นรวมทั้งวัตถุและรูปธรรมภายนอกทุกชนิดและทั้งปรากฏการต่างๆของศัพท์และสัมเนียนล้วนแต่เป็นของเถียมดังเช่นความฝันและภาพมายาเสมอกันท่านเหล่านั้นไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างระหว่างพระมูนีกับคนธรรมดา หรือจะมีความคิดเดาเอาเองในเรื่องนิพพานก็หาไม่ไมไมท่านเหล่านี้ย่อมอยู่เหนือการรับและการปฏิเสธและท่านเหล่านี้ทำลายเครื่องขีดขวางทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านเหล่านี้ย่อมใช้อวัยวะเครื่องทำความรู้สึกของท่านในเมื่อมีเรื่องต้องใช้แต่ว่าความรู้สึกยึดถือในการใช้นั้นมิได้เกิดขึ้นเลย ท่านเหล่านั้นอาจาระบุเจาะจงสิ่งต่างๆได้ทุกชนิดแต่ว่าความรู้สึกยึดถือในการระบุเจาะจงนั้นมิได้เกิดขึ้นเลยแม้ขณะที่ไฟประยล่กันล้างโลกในที่สุดของกันเมื่อท้องมหาสมุทรแห้งไปหรือขณะที่ล ม, มมหาปราไลพัดทำลายโลกจนภูเขาล้มชนกันระเกะระกะสารที่สุกอันแท้จริงและยั่งยืนของความหยุดได้โดยสมบูรณ์ และความสุดสิ้นของความเปลี่ยนแปลงแห่งนิพพานย่อมยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่ฉันได้พยายามอธิบายแก่ท่านถึงสิ่งบางสิ่งที่เหลือที่จะพูดออกมาได้เพื่อให้ท่านสามารถกำจัดความเห็นผิดของท่านเสียแต่ถ้าท่านไม่ตีความแห่งคําพูดของฉันให้ตรงตามความหมายแล้วท่านอาจเรียนรู้ความหมายของนิพพานแต่เพียงประชิบริดนิดหนึ่งเท่านั้น เมื่อได้ฟังสรุกนี้แล้วภิกษุชิตาวได้มีความสว่างสวัยในธรรมอย่างสูงเธอรับฟังคำสอนด้วยใจอันปราโมทย์และลาจากไปภิกษุฮังฉิอาจารย์องค์หนึ่งในนิกายทยานะนี้เกิดที่อันเซงแห่งกัดเจา้าในตระกูลหลิวเมื่อท่านได้ยินข่าวเล่าลือคำสอนของพระสังฆปรินายกได้ทาให้คนจานวนมากมีความสว่างสวัยในธรรมท่านจึงได้ตรงมายังตมวณโซกายทันที เพื่อทำความเคารพและได้ตั้งคำถามขึ้นว่าผู้ปฏิบัติควรส่งจิตของตนพุ่งไปยังสิ่งใดอันจะทำให้การบรรลุธรรมของเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดคุณวิเศษตามที่คนทั่วไปเขารู้กันพระสังคปรินายกถามว่าก็ท่านกำลังปฏิบัติอยู่อย่างไรเล่าภิกษุหังฉิ ต, ตอบว่าแม้ธรรมคืออริยสัจ ท, ทั้งหลาย ที่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์สอนไว้ข้าพเจ้าก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปแตะต้องด้วยพระสังฆปริณายกถามต่อไปว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ท่านอยู่ในชั้นแห่งคุณวิเศษชั้นไหนเล่าภิกษุหังฉีย้อนว่าจะมีชั้นแห่งคุณวิเศษอะไรที่ไหนเล่าในเมื่อข้าพเจ้าปฏิเสธไม่เข้าเกี่ยวข้องด้วยแม้กับอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สอนไว้ การตอบได้อย่างทันควัญของภิกษุหังฉิได้ทำให้พระสังฆปรินายกเกิดความนับถือถึงกับยกเธอขึ้นเป็นหัวหน้าคณะวันหนึ่งพระสังฆปรินายกได้กล่าวแก่ท่านผู้นี้ว่าท่านควรจะไปประกาศธรรมในท้องถิ่นของท่านเองเพื่อว่าคำสอนจะไม่ลับหายสิ้นสุดไปเพราะเหตุนั้นภิกษุหังฉิได้กลับไปภูเขาชิงอันอันเป็นภูมิลาเนาของท่าน พระธําแห่งนิกายนี้ถูกมอบหมายทอดช่วงไปยังท่านท่านได้เผยพแพร่ไปอย่างกว้างขวางและเป็นการทำให้คำสอนแห่งครูอาจารย์ของท่านลงรากอย่างมั่นคงเพราะเหตุนั้นเมื่อท่านมรณาภาพแล้วเขาพากันยกสมัญญาให้แก่ท่านว่าหุมไส้ผู้เป็นอาจารย์แห่งนิกายธยานะภิกษุเวยียงอาจารย์ในนิกายธยานะอีกองหนึ่งเกิดในตระกูลเตา๋า ในกินเจาเมื่อไปเยี่ยมท่านเวอออนแห่งภูเขาสูงสารซึ่งเป็นอาจารย์ประจําเมืองได้ถูกท่านผู้นี้บังคับให้มายังตำบนโซกายเพื่อสนทนากับพระสังฆป ร, ริณายกครั้นมาถึงและได้ทําความเคารพตามธรรมเนียมแล้วก็ถูกพระสังฆปริณายกถามว่ามาจากไหนตอบว่ามาจากสูงสารถามว่าสิ่งที่มานั้นเป็นอะไรมาได้อย่างไร ตอบว่าจะว่ามันเหมือนกับอะไรก็เป็นการผิดทั้งนั้นถามว่าเป็นสิ่งที่รู้ถึงได้ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติตนหรือตอบว่ามิใช่เป็นการสุดวิสัยที่จะรู้ถึงได้ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติตนแต่ว่าเป็นการสุดวิสัยจริงๆที่จะทำสิ่งนี้ให้เศร้าหมองมีมนถินเมื่อได้ฟังดังนั้น พระสังฆปรินายกได้เปล่งเสียงขึ้นดังๆว่ามันได้แก่สิ่งที่ไม่รู้จักเศร้าหมองนี้จริงๆที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เอาพระทัยใส่ถึงท่านก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันถึงแม้ข้าพเจ้าก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันพระสังฆปรินายกชื่อปรัชญาตาระแห่งประเทศอินเดียได้ทำนายไว้ว่าลูกม้าตัวหนึ่งจะออกมาทางใต้ฝ่าเท้าของท่าน และจะกระโจนเหยียบย่า ม, มหาชนไปทั่วโลกข้าพเจ้าไม่จาเป็นจะต้องพยากรความข้อนี้เร็วเกินไปเพราะว่าคำพยากร น, นั้นท่านหาดูได้ในใจของท่านภิกษุเว้ยยามมีความเข้าใจปลุกป่งในคำพูดของพระสังฆปริณายกได้เข้าใจซึมทราบแจ่มแจ้งว่าพระสังฆปริณายกพูดนั้นหมายถึงอะไรตั้งแต่วันนั้นมา ก็ได้เป็นสิทธิ์ติดสอยห้อยตามพระสังฆปรินายกอยู่เป็นเวลา15ปีมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนานลึกซึ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันต่อมาได้ตั้งสำนักขึ้นที่แห่งษาร์ทาการเผยพแพร่คําสอนของพระสังฆปรินายกออกไปอย่างกว้างขวางเมื่อถึงมรณภาพแล้วทางการแห่งราชสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิได้ถวายสมัญญาแก่ท่านว่าไทไวผู้เป็นอาจารย์แห่งนิกายทยานณะ อาจารย์นิกา ย, ยาียนะชื่อหยวนกวกแห่งวิงกาเกิดในตระกูลไถในเวินเจาเมื่อยังหนุ่มได้ศึกษาในสูตรและศาสตร์เป็นอันมากเป็นผู้แตกฉันในหลักสมถะและวิปัสสนาแห่งนิกายเทนไดโดยที่ได้อ่านวิมลกิรตินิเทศสูตรท่านได้ทราบถึงข้อลีลับแห่งใจของท่านเองอย่างปลุกโลงมีภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าอันเช็กเป็นสิทธิของพระสังฆปริณาญพเอิญได้ไปเยี่ยมนมัส ก, การท่านอาจารย์ผู้นั้น เมื่อได้มีธรรมสากระชากันเป็นเวลานานแล้วภิกษุอันแจกได้สังเกตเห็นว่าถ้อยคำของคู่สนทนานั้นลงกันได้ดีกับคำสอนต่างๆของพระสังฆาริณายกจึงถามขึ้นว่าผมใครจะทราบนามอาจารย์ของท่านซึ่งได้สั่งสอนทำให้แก่ท่านโยนโกกได้ตอบว่าผมมีอาจารย์มากมายที่สอนผมในขณะที่ผมศึกษาสูตรและศาสตร์ต่างๆแห่งสานักวัยปุรยะแต่หลังจากนั้นมา เป็นเพราะได้อ่านวิมลกีรตินิเทศสูตรผมจึงมองเห็นแจมแจ้งถึงความสำคัญของนิกายพุทธจิตตะคือนิกายยานะแล้วในตอนนี้ผมยังไม่มีอาจารย์คนใดที่จะพิสูจน์และยืนยันความรู้ของผมภิกษุอันชชกกล่าวขึ้นว่าถ้าในยุคก่อนหน้าพระพิสมะคันชิตสวนพระพุทธเจ้าองค์แรกก็พอจะเป็นไปได้ที่ใครๆจะรู้ทาได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอาจารย์แต่หลังจากนั้นมาแล้ว ผู้ที่บรรลุธรรมโดยไม่อาศัยความช่วยเหลือและยืนยันของอาจารย์คนใดคนหนึ่งแล้วดูเหมือนจะใช้ไม่ได้เป็นธรรมดายวนก๊อกได้ถามว่าถ้าดังนั้นท่านช่วยเป็นผู้พิสูจน์การรู้ธรรมของผมได้ไม่เล่าภิกษุอันเชกตอบว่าคำพูดของผมไม่มีน้ำหนักที่ตาบนโซกายมีพระสังฆปรินายกองที่หอยู่ที่นั่นคนจานวนมากมาหาท่านจากทิศ ต, ต่างๆด้วยความประสงค์อย่างเดียวกัน คือเพื่อรับเอาธรรมถ้าท่านใครจะไปที่นั่นผมยินดีที่จะไปเป็นเพื่อนในเวลาอันสมควรภิกสูตทั้งสองก็ได้ไปถึงโซกายและพบปากกับพระสังคปริณายกสําหรับท่านหยวนกวกนั้นเมื่อได้เดินเวียนรอบๆพระสังคปริณายกสามครั้งแล้วก็หยุดยืนถือไม้เท้านิ่งอยู่ปราศจากการแสดงความเคารพใดอย่างใดพระสังคปริณายกเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า ก็ภิกษุย่อมเป็นที่เกาะอาศัยของศีลสิกขาบทสาม0ันข้อและสิกขาบทเล็กๆน้อยๆ อ, อีก 8,000 ันข้อผมสงสัยเหลือกเกินว่าท่านมาจากสำนักไหนและมีอะไรที่ทำให้ท่านถือตัวถึงเพียงนี้ท่านหยวนกว้ได้ตอบว่าปัญหาเกี่ยวกับการเวียนเกิดไม่รู้สิ้นสุดเป็นปัญหาด่วนจี๋และความตายอาจจู่มาถึงขณะใดก็ได้ผมจึงไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปในการทาพิธีรีตองเช่นนั้น พระสังฆปริณดายกถามไปว่าแล้วทําไมท่านไม่ทําความแจ่มแจ้งในหลักธรรมเรื่องความไม่เกิดและแก้ไขความยุ่งยากแห่งความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตให้หมดไปด้วยธรรมนั้นเล่าท่านหยวนกวกเสนอว่าการเห็นแจ้งจิตเดิมแท้เป็นการทําตนให้เป็นอิสระจากการเยียนเกิดจัดการกับปัญหาข้อนี้ให้รุ่ล่วงไปเพียงข้อเดียวปัญหาเรื่องความไม่เที่ยงก็จะไม่มีเหลืออีกต่อไป พระสังฆปริญายกได้ตอบรับว่าถูกแล้วถูกแล้วในตอนนี้ยวนก๊อกได้ยอมทำความเคารพอย่างเต็มที่ตามธรรมเนียมไม่กี่อืดใจก็กล่าวคำอำลาพระสังฆปริญายกพระสังฆปริญายกถามว่าท่านกำลังจะกลับเร็วเกินไปเสียแล้วใช่ไหมละ่ะยวนก๊อกย้อนว่าความเร็วจะมีได้อย่างไรกันในเมื่อความเคลื่อนไหวเอง ก็มิได้มีเสียแล้วย้อนกลับไปว่าใครเล่าที่จะรู้ว่าการเคลื่อนไหวก็มิได้มีสวนมาว่าท่านขอรับกระผมหวังว่าท่านจะไม่ชี้ระบุตัวตนอะไรที่ไหนพระสังฆปรินายกได้กล่าวสรรเสริญท่านยวนก๊อกว่าสามารถมีความเข้าใจในเรื่องความไม่เกิดคือพระนิพพานได้อย่างกว้างขวางปลุกโปร่ แต่ท่านยวนวอกได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอีกว่าก็ในความไม่เกิดนั้นมีความเข้าใจอยู่ด้วยหรือพระสังฆปริณ า, ายกย้อนต่อไปว่าไม่มีความเข้าใจแล้วใครเล่าที่สามารถชี้ระบุตัวตนท่านยวนวอกตอบว่าสิ่งที่ชี้ระบุตัวตนนั้นหาใช่ความเข้าใจไม่พระสังฆปริณ า, ายกร้องขึ้นว่า สาธุแล้วได้ขอร้องให้ท่านยวนกว๊อกยับยั้งการกลับไว้ก่อนและค้างคืนด้วยกันสักคืนหนึ่งเพราะเหตุนี้เองท่านยวนกว๊อกจึงเป็นผู้ที่พวก เ, เพื่อนในสมัยเดียวกันขนานนามว่าผู้รู้ซึ่งเคยค้างคืนกับพระสังฆปรินายกต่อมาภายหลัง ท่านหยวนกวกได้ประพันธวรรณกรรมอันมีชื่อเสียงเรื่องบทขับเกี่ยวกับการบรรลุทางฝ่ายใจซึ่งแพร่หลายไปอย่างกว้างขวา ง, วางเมื่อมรณภาพแล้วท่านได้รับสมัญญาว่าปรามาจารย์วูเซิงซึ่งแปลว่าผู้อยู่เหนือสิ่งต่างๆในโลกพวกเพื่อนๆสมัยเดียวกับท่านพากันเรียกท่านอีกนามหนึ่งว่าทยานาจารย์ชุนกวกซึ่งแปลว่าท่านที่รู้จริง ภิกษุจีวางเป็นนักศึกษาผู้หนึ่งในนิกายทยานะหลังจากได้สอบถามพระสังฆปรินายกองค์ที่หเกี่ยวกับการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของตนแล้วก็เข้าใจเอาเองว่าตนได้บรรลุสมาธิดังนั้นท่านผู้นี้จึงเก็บตัวอยู่ในวิหารเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นเวลาถึง20ปีและเฝ้าแต่นั่งขัดสมาธิอยู่ตลอดเวลามีสิทธิ์ของพระสังฆปรินายกองที่หผู้หนึ่งชื่อภิกษุอันแจ จะริกไปทางฝั่งเหนือของแม่น้ําำฮงโหได้ยินเรื่องราวของท่านผู้นี้จึงเข้าไปเยี่ยมถึงที่วัดนั้นภิกษุอันแชกได้ถามว่าท่านทําอะไรอยู่ที่นี่ภิกษุจีวางได้ตอบว่าข้าพเจ้ากําลังเข้าสมาธิอยู่ภิกษุอันแชกกล่าวขึ้นว่าท่านว่าท่านกําลังเข้าสมาธิอยู่อย่างนั้นหรือข้าพเจ้าอยากทราบว่าท่านทําสมาธิอยู่ด้วยความรู้สึกหรือว่าปราศจากความรู้สึก เพราะว่าถ้าท่านทำสมาธิอยู่โดยไม่มีความรู้สึกมันก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งปวงเช่นเครื่องกระเบื้องก้อนหินต้นไม้และผักหญ้าทั้งหลายก็รู้ถึงสมาธิได้เหมือนกันหรือไม่อย่างนั้นถ้าท่านทำสมาธิอยู่โดยมีความรู้สึกและตัวสัตว์ที่มีชีวิตหรือมนุษย์ก็ตามทั้งหมดนั้นก็จะพลอยเป็นผู้อยู่ในสมาธิไปด้วยทั้งสิน้นภิกษุจีวางได้กล่าวกันว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในสมาธินั้น ถ้าพระเจ้าไม่รู้สึกเลยว่ามีความรู้สึกหรือไม่มีความรู้สึกภิกษุอันเช็กจึงพูดว่าถ้าเอาอย่างที่ท่านว่ามันต้องเป็นความสงบตลอดการซึ่งในภาวะเช่นนั้นไม่มีทั้งการเข้าอยู่และการออกมาอาการที่ท่านยังเข้าๆออกๆได้อยู่นั้นยังไม่ใช่สมาธิชั้นเยี่ยมภิกษุจีวังรู้สึกงงหลังจากที่นิ่งอึ้งไปขณะหนึ่งแล้วท่านจึงได้ถามขึ้นว่า ข้าพเจ้าขอทราบว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านภิกษุอันเชกตอบว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าคือพระสังฆปริณายกองค์ที่หแห่งโซกายภิกษุจีวามถามต่อไปว่าอาจารย์ของท่านได้กล่าวสรุปเรื่องทายาและสมาธิไว้อย่างไรเล่าภิกษุอันเชกกล่าวตอบว่ า, วาคำสอนของอาจารย์มีว่าธรรมกายเป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมและสงบ ตัวแท้และการทําหน้าที่ของธรรมกายย่อมอยู่ในภาวะแห่งความคงที่เสมอขันทั้งห้าเป็นของว่างโดยแท้จริงและอายตนะภายนอกทั้งหเป็นของไม่มีอยู่ในสมาธิไม่มีทั้งการเข้าและไม่มีทั้งการออกไม่มีทั้งความเงียบและไม่มีทั้งความวุ่นวายธรรมชาติของทยานะไม่ใช่เป็นความเข้าอยู่ดังนั้น เราควรจะขึ้นไปให้เหนือภาวะแห่งการเข้าอยู่ในความสงบแห่งทายาณนะธรรมชาติของทายาณะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะสร้างขึ้นได้ดังนั้นเราควรจะขึ้นไปให้เหนือความคิดแห่งการสร้างภาวะของทยาณนะภาวะของจิตนั้นอาจเปรียบได้กับอวกาศแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตจำกัดดังนั้นจิตจึงมีอยู่ โดยปราศจากการจำกัดเขตของอวกาศเมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุจีวังจึงออกเดินทางไปยังโศกายเพื่อไต่ถามพระสังฆปริณายกเมื่อพระสังฆปริณายกถามว่ามาแต่ไหนแล้วภิกษุจีวังก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตนได้สนทนากับภิกษุอันเชกให้พระสังฆปริณายกฟังโดยละเอียดพระสังฆปริณายกได้กล่าวว่าข้อความที่อันเชกพูดนั้นถูกต้องทีเดียว จงทําใจของท่านให้อยู่ในสภาพเหมือนกับความว่างอันหาขอบเขตไม่ได้แต่อย่าให้มันเข้าไปติดในทิฏฐิว่าดับศูนจงให้ใจทําหน้าที่ของมันอย่างอิสระไม่ว่าท่านจะกําลังทํางานหรือหยุดพักจงอย่าให้ใจของท่านเกาะเกี่ยวในสิ่งใดจงอย่าไปรู้สึกว่ามีความแตกต่างระหว่างอริยบุคคลกับบุคคลธรรมดาอย่าไปคิดว่ามีความแตกต่างระหว่างตัวผู้กระทํา กับสิ่งที่ถูกกระทำจงปล่อยจิตเดิมแท้และสิ่งทั้งปวงไว้ในสภาพแห่งความเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็จะอยู่ในสมาธิตลอดเวลาเมื่อได้ฟังดังนั้นจิตวางก็มีความสว่างส ว, งสวัยในใจถึงที่สุดความคิดที่ว่าตนได้บรรลุสมาธิมาแล้วตั้งยี่สิบปีแล้วนั้นบัดนี้ได้สูญสิ้นไปในคืนวันนั้นเองพวกชาวบ้านโฮเบยทางฝั่งเหนือของแม่น้าเหลือง ได้ยินเสียงอัศจรรย์ในท้องฟ้าซึ่งแสดงว่าท่านอาจารย์จีว่างแห่งนิกายทยานะได้รู้ธรรมในวันนั้นต่อมาอีกไม่นานภิกษุจีว่างได้อำลาพระสังฆปรินายกกลับไปโหเปยอันเป็นที่ซึ่งท่านได้สั่งสอนมหาชนหญิงชายเป็นจำนวนมากทั้งบัพชิตและขรืหัดสืบมาครั้งหนึ่งมีภิกษุองค์หนึ่งถามพระสังฆปริญายกว่า บุคคลประเภทไหนที่สามารถรับเอาใจความสาคัญของคาสอนแห่งว่งมุยคือพระสังฆปรินายกองค์ที่ห้าได้พระสังฆปริณายกได้ตอบว่าผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือผู้ที่จะสามารถรับเอาได้ภิกษุองค์นั้นถามอีกว่าก็ไต้เท้าเล่าได้รับแล้วหรือเปล่าท่านได้ตอบว่า ฉันไม่รู้สึกว่ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยวันหนึ่งพระสังฆปริณายกต้องการจะซักจีวรที่ได้รับมอบเป็นมรกดกตกทอดมานั้นแต่ท่านไม่สามารถหาลําธารที่เหมาะเหมาะได้ในที่นั้นดังนั้นท่านจึงได้เดินไปยังที่แห่งหนึ่งทางหลังวัดประมาณห้าไม้ที่นั่นท่านได้สังเกตเห็นว่าผักหญ้าและต้นไม้งอกงามหนาแน่น และสิ่งแวดล้อมได้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นที่อันเหมาะสมท่านได้สั่นไม้เท้าประจาตัวของท่านซึ่งทาให้เกิดเสียงดังกริ้งกริ้งเพราะมีลูกครวนจจำนวนหนึ่งโูกอยู่ที่ด้ามไม้เท่านั้นแล้วปักมันลงที่แผ่นดินทันใดนั้นก็มีน้ำพุ่งขึ้นมาไม่นานก็กลายเป็นสระน้ำขณะที่ท่านคุกเข่าลงบนก้อนหินเพื่อจะสักจีวรในทันใดนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมาปรากฏขึ้นตรงหน้าของท่านและทำความเคารพท่านภิกษุองค์นั้นได้กล่าวว่ากระผมชื่อฟองปิน่นเป็นชาวเสฉวนเมื่อครั้งกระผมอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนใต้กระผมได้พบพระสังฆปรินายกโคธิธรรมท่านได้แนะนำให้กระผมกลับมายังประเทศจีนท่านได้บอกแก่กระผมว่าทำรร ม, มหาฤทัยอันถูกต้องพร้อมทั้งจีวรบาทอันเป็นเครื่องหมายแห่งนิกายธยานะ อันเราได้รับมอบต่อๆลงมาจากพระมหากรสปฐีระนั้นบัดนี้ได้ตกทอดไปถึงพระสังฆปริณายกองค์ที่หซึ่งบัดนี้อยู่ที่ตำบลโซกายแห่งชิวเจาท่านจงไปที่นั่นเพื่อจะได้ดูสิ่งเหล่านั้นและได้ถวายความเคารพแก่พระสังฆปริณายกองค์นั้นกระผมเดินทางเป็นเวลานา น, านจนมาถึงที่นี่ขอให้กระผมได้เห็นจีวนและบาทที่ใต้เท้าได้รับมอบเป็นทอดๆลงมานั้นเถิด เมื่อได้ดูเจดีย์วัตถุทั้งสองอย่างนั้นแล้วพระสังฆปรินายกได้ถามภิกษุฟองปินว่าเขามีความเชี่ยวชาญในงานชนิดไหนบ้างภิกษุฟองปินได้ตอบว่ากระผมถนัดมือในทางงานแกสลักขอรับพระสังฆปรินายกได้ระบุความต้องการของท่านออกไปว่าถ้าอย่างนั้นจงทำอะไรให้ฉันดูสักอย่างหนึ่งภิกษุฟองปินรู้สึกหัวหมุนในขณะนั้นแต่ต่อมาสองถึงสามวัน ท่านก็สามารถแกะสลักรูปพระสังฆปรินายกอย่างประณีตเหมือนกับมีชีวิตอยู่จริงๆขึ้นได้สําเร็จรูปหนึ่งสูงประมาณ7นิ้วเป็นงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของการแกะสลักเมื่อได้เห็นรูปสลักรูปนั้นพระสังฆปรินายกได้หัวเราะและกล่าวแก่ฟองปินว่าเธอมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านหนึ่งของวิชาการแกะสลักจริงๆแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าเสียเลย แล้วพระสังคปรินายกได้เอื้อมมือไปรูปศีรษะของภิกษุฟองปิ่นเป็นวิธีให้พรตามแบบของพุทธบริษัทและได้ประกาศขึ้นว่าเธอจงเป็นเนื้อนาบุญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเป็นนิธิเธอนอกจากนั้นพระสังคปรินายกได้ตอบแทนงานชิ้นของภิกษุฟองปิ่นนั้นด้วยการมอบจีวรผุนนั้นให้เป็นบางวัล ซึ่งภิกษุฟองปิ่นได้ตัดแบ่งออกสามส่วนส่วนหนึ่งได้ตกแต่งรูปสลักนั้นส่วนหนึ่งสำหรับใช้เองและอีกส่วนหนึ่งท่านได้ห่อมัด้วยใบลาแล้วฝังลงในดินขณะที่ทําการฝังลงไปท่านได้ประกาศคําอธิษฐานออกมาว่าเมื่อใดผ้านี้ถูกขุดขึ้นเมื่อนั้นขอให้ท่านได้เกิดใหม่มาเป็นเจ้าวาดวัดนั้นและให้ได้รับภาระซ่อมแซมพระเจดีย์และโบสถ์วิหารทั้งปวง ภิกษุรูปหนึ่งนำสโลกซึ่งแต่งขึ้นโดยธนาจา ร, รูปหนึ่งชื่ออหลุนมาท่องบนอยู่ว่าอหลุนมีวิธีและเครื่องมือที่จะกั้นจิตเสียจากความนึกคิดทั้งปวงเมื่ออารมณ์ต่างๆมีได้กลุ่มรุมจิตต้นโพเครื่องหมายแห่งปัญญาก็จะงอกงามอย่างเป็นลํำสัพระสังคปรินายกได้ยินสโลกนี้จึงพูดว่า สโลกนี้ย่อมแสดงว่าผู้แต่งยังไม่เห็นจิตเดิมแท้อย่างเต็มที่ถ้าใครรับเอาข้อความมาถือปฏิบัติก็จะไม่ได้รับความหลุดพ้นแต่จากกลับผูกรัดตัวเองแน่นหนายิ่งขึ้นแล้วพระสังฆปรินายกได้บอกสโลกบทหนึ่งให้แก่ภิกษุรูปนั้นไว้ท่องบนว่าดังนี้เวลาไม่มีวิธีและเครื่องมือที่จะกั้นจิตเสียจากความนึกคิดทั้งปวง อารมณ์ต่างๆย่อมกุ้มรุมจิตของข้าพเจ้าอยู่เสมอและข้าพเจ้าสงสัยว่าต้นโพจะงอกงามได้อย่างไรกัน